แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าเขย่าวขวัญเสียงสะเอือนน่ากุติสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อวันชัยครับจะขอถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ขนหัวลุกในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผมได้บวชเป็นพระภิษุและจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดจากเหตุการณ์ที่ผมต้องมาบวชนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดอย่างมาก ดังที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ย้อนไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมกับแฟนสาวรักใคร่กันมากและอยากแต่งงานมีครอบครัวอยู่ด้วยกันผมจึงตัดสินใจไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อเก็บเงินมาสู่ขอเธอให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เรียกร้องสินสอดมาแพงในระดับหนึ่งผมจึงต้องหาเงินในทุกวิถีทางเพื่อจะแต่งงานกับเธอให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งปีระหว่างที่ผมทางานอยู่กรุงเทพ แฟนสาวได้โทรติดต่อผมอยู่เรื่อยๆบทสนทนาที่เราพูดคุยกันก็เป็นเรื่องครอบครัวของฝ่ายหญิงที่เร่งรัดการแต่งงานเพราะผมทราบมาว่าทางครอบครัวเขามีหนี้สินอยู่จำนวนมากหากลูกสาวได้แต่งงานแล้วเงินค่าสินสอดก็จะสามารถนำไปใช้หนี้ได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรและยินดีที่จะหาค่าสินสอดมาให้ไม่ว่าจะแพงเท่าไหร่ก็ยอมแต่เรื่องราวมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นสิครับเพราะบริษัทที่ผมทางานอยู่มีปัญหาภายใน ทำให้ต้องปลดพนักงานตัวผมเล้กลายเป็นคนตกงานว่างงานพยายามหางานตลอดหนึ่งเดือนก็ยังหาไม่ได้ตอนนั้นทางครอบครัวฝ่ายหญิงก็ร้อนใจมากแต่จะให้ทํายังไงได้ล่ะครับในเมื่อผมยังหางานไม่ได้เงินก็ยังไม่มีเงินที่พอเหลือเก็บอยู่ตอนนี้ก็ถูกใช้เป็นค่าเดินทางสมัครงานค่ากินค่าอยู่สารพัดด้วยปัญหาส่วนตัวที่มากมายของผมในตอนนั้นทําให้ครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่พอใจและในเวลาเดียวกัน ก็มีคนมีฐานะมาชอบพอแฟนของผมด้วยเธอได้โทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟังว่าครอบครัวจะให้เธอแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ให้ได้แต่เธอไม่ยอมและบอกว่าถ้าบังคับให้แต่งงานจะฆ่าตัวตายผมฟังแล้วก็ได้แต่ห้ามไม่ให้เธอคิดสั้นและพยายามโทรไปขอเจรจา ก, กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงทั้งนั้นก็ยังคงยืนยันคําเดิมบอกว่าถ้าผมไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูกเขาก็ไม่ต้องมาพูดกัน ผมหมดปัญญาที่จะพูดกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเหมือนกันครับได้แต่โทรศัพท์ไปปลอบใจแฟนสาวให้ใจเย็นๆแล้วค่อยคิดหาทางออกร่วมกันแต่เธอก็ยังคงร้องหมร้องไห้ตลอดเวลาที่คุยกับผมบางครั้งก็ตัดพ้อว่าผมไม่ได้รักเธอจริงและไม่คิดที่จะช่วยเหลือเธอเธอจะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักถ้าเธอต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เธอขอตายดีกว่าการสนทนาในวันนั้นตึงเครียดมากจนกระทั่งเธอตัดสายทิ้งไป ทั้งที่คุยยังไม่จบผมพยายามต่อสายไปก็ไม่ติดคืนนั้นผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีและกระวนกระวายมากเพราะเธอไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเช้าวันต่อมาผมจึงโทรไปหาเธออีกครั้งก็โทรไม่ติดจนกระทั่งคนที่บ้านของเธอได้โทรมาหาผมในช่วงสายๆบอกว่าเธอตายแล้วเธอผูกคอตายในห้องนอนเมื่อคืนนี้และทิ้งจดหมายไว้ว่าเธอจะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รัก เพราะเธอรักผมคนเดียวผมช็อกกับเรื่องที่ได้ยินทางโทรศัพท์พร้อมกับปลอบใจตัวเองว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องจริงแต่ที่บ้านของเธอก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและให้ผมยอมรับความจริงให้ได้ว่าเธอตายแล้วผมเสียจใจมากครับร้องไห้ฟูมฟายทั้งวันทั้งคืนผมได้แต่โทษตัวเองทำไมผมไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือเธอถ้าผมหางานได้เร็วกว่านี้หาเงินได้เร็วกว่านี้เธอก็ไม่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าจะไปร่วมงานศพของเธออย่างไรเพราะผมคงไม่มีหน้าที่จะไปหาเธอในวันที่เธอจากไปอย่างโศกเศร้าและผมก็ยังรับไม่ได้กับการที่จะต้องเห็นรูปภาพของเธอที่สดใสาราเริงติดอยู่หน้าโลงศพผมยอมรับความสูญเสียครั้งนั้นไม่ได้จริงๆแต่ที่บ้านของผมบังคับให้ผมต้องไปให้ได้ไปขออโหสิ ก, กรรมต่อกันหากมีอะไรที่ได้เคยล่วงเกินจะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกข์ใจอีกผมจึงไปร่วมพิธีในวันสุดท้ายของงานศพเธอ และบอกกับพ่อแม่ของแฟนผมว่าผมจะขอบวชอุทิศบุญกุศลให้กับเธอซึ่งพ่อแม่ของเธอก็เห็นด้วยและรู้สึกผิดที่ใบบังคับลูกสาวให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเวลานั้นแม้ผมจะทำใจไม่ได้ก็ตามแต่ก็มีสติขึ้นมาบ้างว่าควรจะทำอะไรให้กับเธอหลังจากที่เธอได้จากไปแล้วผมจึงบวชหน้าไฟให้กับเธอแล้วก็บวชยาวไปอีกสามเดือนเพื่อตั้งใจอุทิศบุญให้เธอ ในระหว่างที่ผมบวชอยู่ในวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ทําพิธีศพให้กับเธอ3มคืนแรกขณะที่สวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่ในโบสถ์ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้มาแต่ไกลปะปนกับเสียงสวดมนต์ที่ดังก้องอยู่ในโบสถ์ตอนนั้นผมคิดว่าผมอาจจะหูฝาดไปเองแต่ในวันที่สองและวันที่สมผมก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงคร่ําครวญร้องไห้อยู่ในระหว่างสวดมนต์เช่นกันคืนหนึ่งขณะที่ผมกําลังจะจําวัดก็ได้ยินเสียงร้องไห้นั้นอีก แต่เสียงนั้นมันใกล้ามากเหมือนกับอยู่ใต้ถุนวัดเสียงนั้นมันเหมือนแววแววแต่สักพักก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงร้องไห้นั้นคุ้นเคยเป็นอย่างมากเหมือนกับเสียงของแฟนของผมที่ได้ยินจากโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะวางสายแล้วฆ่าตัวตายนั่นเองจิตใต้สำนึกของผมมันบอกว่าน่าจะเป็นเสียงของเธอผมไม่ได้กลัวกับเสียงนั้นเลยแต่รู้สึกสงสารมากกว่าจึงได้นั่งสมาธิภาวนา และแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของเธอเพื่อให้ไปสู่สุขติและรู้ดีว่าคนที่ตายโหงในการฆ่าตัวตายนั้นบาปหนักและจิต ก, ก็หม่นหมองมากโดยเฉพาะหากตายก่อนอายุไขดวงจิตจะทุกข์ทรมานและวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุไขบ้างก็ต้องเป็นเปรตไปจนกว่าจะหมดกรรมบ้างก็ตกนรกหมกไหมหลังจากที่ผมแผ่เมตตาแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปกระทั่งหลายวันต่อมา เสียงสะอื้นก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้มันดังอยู่หน้ากุติผมได้แต่ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้เสียงนั้นก็ยังไม่หายไปและยังมีเสียงพูดขึ้นมาอีกว่าหลวงพี่หลวงพี่ระคนกับเสียงสะอื้นอยู่ตลอดเวลาผมจึงตัดสินใจเดินออกไปหน้ากุติเพราะโดยส่วนตัวไม่ได้กลัวกับผีอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นคนรักของผมอีกด้วยเธอต้องมาตายอย่างทรมานเพราะความทุกข์ เมื่อผมเอาไปที่หน้ากุฏิสิ่งที่ได้พบก็คือสภาพของเธอที่ตายไปแล้วในสภาพนั่งก้มหน้าผมเฆ้ารุงรังปิดบังใบหน้าอยู่ผมก็ยังจําได้ว่านี่คือเธอแน่ๆเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่นั้นเป็นชุดปโปรดของเธอที่ใส่ในวันเผาเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผิวพันธ์หม่นหมองไม่ผ่องใสเหมือนกับศพที่ถูกไฟเผาไหม้ดูสกรปรกมอมแแมมซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าภพภูมิที่เธออยู่นั้นเป็นภพภูมิที่ต่ำ ตามจิตของเธอที่หม่นหมองมันจึงแสดงออกมาทางรูปกายที่ไม่สวยงามตามไปด้วยเสียงสะอื้นร่ำไห้ของเธอดังกล้องกองวานอยู่อย่างนั้นผมได้แต่มองด้วยความเวทนาแล้วบอกว่าโยมตั้งจิตตั้งใจรับบุญกุศลระ ง, งับความเศร้าโศกจะได้ไปเกิดในที่ ด, ดีดวงวิญญาณนั้นไม่ได้พูดอะไรนอกจากเสียงร้องไห้ที่ดังระ ง, งมอยู่ตลอดเวลาผมก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้อีกครั้งและไม่นานนัก เสียงนั้นก็เริ่มเงียบหายไปพร้อมๆกับภาพของดวงวิญญาณที่หายไปด้วยหลังจากเหตุการณ์น่ากุติในคืนวันนั้นแม้จะได้ยินเสียงร้องไห้ของดวงวิญญาณที่ดังระ ง, งมอยู่แต่ก็เริ่มซาซาลงไปบ้างเพราะผมเชื่อว่าบุญกุศลที่ผมได้ให้กับเธอโดยการบวชอุทิศบุญน่าจะทําให้เธอมีดวงจิตที่สว่างสวยและส่งวิญญาณ น, นี้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ในวันเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกัน คนที่บ้านของเธอไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอได้มาร่ำไห้หน้าบ้านเกือบทุกวันหลังจากที่เผาศพไปแล้วทุกคนต่างหวาดผวาและทําได้เพียงอุทิศบุญให้กับเธอเท่านั้นมิหนาซ้ําคนในบ้านยังเห็นเธอวนเวียนอยู่ภายในห้องที่เธอผูกคอตายประหนึ่งว่าวิญญาณจะยังไม่ไปไหนหากไม่ถึงเวลาอันควรเพราะเธอได้ตายก่อนอายุไขนั่นเองจนวันนี้ผ่านมาหลายปีแล้ว ความเฮี้ยนของเธอก็ได้เริ่มจางหายไปกับเวลาเพราะคนในบ้านไม่ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญอันน่าเวทนา น, นั้นอีกรวมถึงตัวผมเองที่ได้ลาสิกขามานานแล้วก็ไม่ได้ฝันถึงเธอและไม่เห็นเธออีกเลยผมก็หวังลึกๆว่าเธอจะได้ไปเกิดในที่ดีๆแต่การฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาปหนักก่อนตายจิตใจก็เศร้าหมองมากการจะได้ไปเกิดในที่ดีๆในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นยากมาก เพราะต้องชดใช้วิบากกรรมที่ตนเองต้องก่อไว้ก่อนเสมออยากเตือนเพื่อนๆว่าหากมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานครอบครัวเพื่อนๆไม่ควรคิดสั้นฆ่าตัวตายเด็กขาดเพราะตายไปก็จะทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้และผมเชื่อว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีทางออกเสมอเพียงแค่ค่อยๆแก้กันไปแค่นั้นอย่าคิดสั้นอย่างแฟนผมก็พอ หากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ